Book 2 <29 S 3> <29 S> 2ยี่สิเกที่ร้านอาหารหนึ่งอูรสตาอรเน1โต๊ะนี้ว่างไหมคะฮต т สตูลิกสวาบุตหนึง่งดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Я хотела бы поглядеть меню. Куньи арай, не там мей ка? Что вы можете пораить? Ди чан, ко биа ка. Я хотела бы кувель пива. Ди чан, ко нам реа ка. Я хотела бы шклянку минеральной воды. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ Я х о т เจล бы บ к л я ลนค а п е л ь с ซ н о в о г о าโซคดิฉันขอกาแฟค่ะ Я х о т เจล бы บคูบาชา кавы ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะยาฮาเจลาเบาคูบาชกากาเวส马拉คูมการุนาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ สูตรครมคลิลสกดิฉันขอชาค่ะยาเธอบึกบรบดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะยาเธอบึกบรบาสลมมดิฉันขอชาใส่นมค่ะยาเธอบึกบรบาสมอลม คุณมีบุหรีไหมคะคุณมีที่เขี่ยบุหรีไหมคะคุณมีไฟไหมคะดิฉันขาดซ่อมคะ่ะดิฉันขาดมีดค่ะ อ м เมญ н ่ยมะนาจอนดิฉันขาดช้อนค่ะอูเมญี่ยมะลิสกิ